ทำกันสอนให้รู้สอนให้ทานะถ้าสอนให้รู้นี่ก็ไม่ยากทำมีอุปการะมากสองอย่างหนึ่งสติความระลึกได้สองสัมปชัญญะความรู้ตัวเนี่ก็บอกแล้วก็จำได้รู้จำสิ่งนี้ไม่เที่ยงสีนั่นก็เป็นทุกข์สีนั่นไม่ใช่ตัวตน สิ่งไหไม่เที่ยงสิ่งนั่นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั่นเป็นทุกข์สิ่งไหนไม่ค่ยตัวตนสิ่งนั้นเป็นทุกข์สอนให้รู้แต่ว่าความทุกข์มันยังมีความหลงยังมีความโกรธมันยังมีถ้าสอนให้ทำก็ต้องมีการปฏิบัติต้องประกอบต้องสัมผัส เรสอนให้ลูกพอจะได้เข้าโครงว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเริ่มต้นที่เกิดเป็นพุทธศาสนาก็เริ่มต้นจากการเจริญสติพอเจริญสติก็เกิดทาขึ้นมาเรียกว่าไตรสิกขาไตรสิกขาคือสินคือสมาธิคือปัญญาแต่เป็นไตรสิกขาเราก็เข้าถึงธรรมวินัย ธรรมะวินัยนั้นน่ะเป็นตัวศาสนาเราก็รู้คำศอนทั้งหมดรวมลงอยู่ที่เว้นความชั่วทำความดีทำจิตให้บริสุทธิ์โหวัดปฏิโมกธรรมะกำ ม, มือเดียวใบไม้ทางป่ากับใบไม้กำมือเดียวพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบนี่เราก็รู้กัน แต่ทำยังไงจึงจะเข้าถึงสติทำยังไงจึงจะเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาทำอย่างไรเราจึงจะไปพบเห็นธรรมวิวทไนที่มันมีอยู่ในเราตัวเราก็เป็นธรรมตัวเราก็เป็นวิทไนมันต้องไม่ใช่อยู่ในหนังสือตำรับตำราธรรมะเวทไหนหรือว่าศีลสมาธิปัญญามันเป็นเรื่องของกายเป็นเรื่องของวาจาเป็นเรื่องของ จ, จิตใจ เราก็ต้องสร้างขึ้นมาเราก็ต้องสร้างขึ้นมาเช่นสติอย่างนี้ไม่ใช่เป็นคำพูดไม่ใช่คิดดุนคิดเราไม่ใช่หัวสมองไอเดียไอคิวดีไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกับเพศกับไวไม่เกี่ยวกับปฏินกายเป็นการกระทําเกิดจากการกระทําของเราโวยแท้ เช่นการปฏิบัติธรรมตา ม, ามการจเจริญสติตรมหลักของสติปัฏฐานหลักของสติปัฏฐานก็คือมีสติเห็นกายเอากายก่อนให้ปึกสติไปในกายก่อนให้มันเห็นตัวสติจริงๆมันจะเห็นไม่ใช่ไปจําไม่ใช่คิดเอาเหตุเอาผลนะ ตัสติจริงจริงมันเป็นการพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นเห็นมือระวางอยู่บนเขานะมือมันก็มีอยู่จริงวางไว้เข่ามันก็วางอยู่จริงสัมผัสได้รู้สึกและเลือกได้ไม่ใช่รู้สึกมันมีทั้งรู้สึกทั้งลเลือกได้เนี่จึงจะเป็นสติปัฏฐานแต่แขงมือขึ้นก็บรู้วัตถุที่แต่แขงก็คือมือ ยกขึ้นก็รู้วัตถุที่ยกก็เป็นจิตญาที่ยกก็เป็นมือเป็นกายเรื่องของกายมอาจจะไม่ต้องผู้รวมือกายานุปัสสนาในสติดูกายเห็นกายเห็นกายในกายเห็นกายในกายกายที่เป็นรูปเป็นดุนกายที่เป็นตัวเป็นตนเป็นสุขเป็นทุกข์กายในกาย เป็นทุกข์เพเรื่องของกายเป็นสุขเพเรื่องของกายไม่ใช่กายธรรมดาเอามาเป็นสุขามาเป็นทุกข์พระ น, นเรวากายในกายให้เห็นกายให้เห็นกายในกายให้มันรู้ให้มันเห็นให้มันเห็นต่อหน้าต่อตาตาต่อตาเป็นปัจจิตังเป็นปัจจุบันว่ามีสติเห็นกาย หัดทำให้มันเป็นให้มันเห็นอยู่นี่ลักษณะของการที่จะเห็นก็ให้มันทีๆไม่ใช่ห่างกันเป็นชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงสิบนาทียี่สิบนาทีถ้าเห็นแบบนั้นมันไม่ต่อมันไม่ได้ความเหมือนเขียนหนังสือไม่ติดกันมันก็อ่านไม่ออกอ่านไม่รู้เรื่องรู้ราว ตรงลู่ตัวลู่ตัวลู่ตัวนี่มันลู่เป็นครั้งเป็นครั้งวินาทีหนึ่งลู่ครั้งหนึ่งวินาทีหนึ่งลู่ครั้งหนึ่งแล้วรูปแบบของการเจริญสติที่บนพบระบุตรของเราเดยค้นคว้ามานานแล้วก็มาเป็นรูปแบบของการสร้างจังหวะ การสร้างจังหวะเนีเรียกว่ากายบัพเพะในบาลีในพศูดกายบัพเพะสัมปัญญะปัพพะกายบัพเพะมันก็เคลื่อนไหวจริงๆสัมปัญญะปัพพะมันก็เคลื่อนไหวสัมปัญญะบัพเพะมันไม่ใช่รูปมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความระลึกได้มันมันมันทำให้แจ้งเช่นมือบางบนเขาก็รูว่ามืออยู่บนเขา พอได้ยกมือขึ้นพิกมือขึ้นก็ลู้ขณะที่ยกก็ลู้อยู่มันสองลู่ลู้แบบไม่มีคำถามลู้แบบมีแต่คำตอบตัวเราตอบโปเอก เ, เรียกว่าสติสัมปชัญญะลู้อย่างนี้จึงจะเป็นวิชากรรมฐานเราก็ลู้ต่อกันเป็นยาวๆเหมือนโซ่ที่บรเจามันก็ใช้ได้แต่โซ่มันสั้นๆมันใช้ไม่ได้ ไม่ใช่เหมือนเหล็กเส้นเหล็กเส้นมันลอบตัวมันไม่ง่ายมันแขีงทื่อให้มันเหมือนโซ่มัอนลอกแล้วสติเป็นรูปลอกมาทางไหนก็ลู่ได้เพราะมันลอกอยู่เพราะว่าลู่ลู่ไม่ใช่เป็นรูปแบบต่อกันมันลูปเป็นครั้งเป็นครั้งลูปเป็นหนึ่งรูปเป็นหนึ่งรูปเป็นหนึ่งสิบสี่จังบาทนี่พอดีกับลูปเป็นครั่ง ลู่รอบอยู่รอบหนึ่งรอบสองรอบหนึ่งสิบสี่ลู่รอบสองกับสิบสี่ลู่หลายลู่เข้าไปถ้ามันลู่เข้าไปมากๆากก็พอดีพอดีกับจังหวะที่เราสร้างวินาทีหนึ่งอาจจะลู่ทีหนึ่งช้าไปกว่านั้นก็ไม่มากไวไปกว่านั้นก็ไม่มากไม่มีวิธีใดที่จะชัดเจนเหมือนวิธีการจเจริญสติแบบการ กายปัปพร ะ, ะการเคลื่อนไหวตามที่ทดลองมาไม่ใช่จะเปดตะปะแล้วมาพบกับกรรมฐานแบบนี้ไม่ใช่เพิกมาหลายแบบเพิกมาได้หลายแบบแต่มันไม่รอบมันไปทางเดียวเหมือนแสงไฟฉายไม่เหมือนแสงนนออนไม่เหมือนแสงพระอาทิตย์แสงจันดวงอาทิตย์ดวงจันมันน่ารอบมันลู่รอบ พอมันรู้จริงๆมือมันก็รู้กายเคลื่อนไหวมันมันคิดมันก็ยังรู้ได้อันที่เราไม่ได้ตั้งใจเราตั้งใจสร้างสติการเคลื่อนไหวแต่เวลาใดที่มันคิดขึ้นมามันก็รู้ได้ก็ปล่อยมันเถอะให้มันคิดแต่ว่าเราก็รู้เวลาที่มันคิดเรากลับมากลับมาตั้งไว้กลับมาตั้งไว้ที่กายแล้วกลับเนี่ยการกลับมานี่ยจะเป็นศิลปะจะเก่งตรงนี้ด้วยนะถ้าไม่กลับเนี่ยไม่เก่งนะ จะเป็นเป็นการปฏิบัติที่อนุบาลอยู่ถ้าไม่รู้จะกลับมันไปทางไหนก็ไปก็มันมันคิดก็ไปจาความคิดมันหลงก็ไปจากความหลงมันสุข ก, ก็ไปจากความสุขมันทุกข์ก็ไปตามความทุกข์มันหลงก็ไปตามความหลงอันนั้นเลยว่าไม่กลับกว่าจะกลับมาเขาไปกินหมดเลยมันก็ยอดอ่อนของต้นไม้ อยอดอ่อนขึ้นมากับมแมลงอาไปจินเกิดขึ้นมาใหม่ก็เอ า, มาแมลงอาไปจินเกิดขึ้นเอกร้อยครั้งพันหนแมลงอาไปจินแล้วมันก็ออกลูกไม่ได้เพราะมันไม่แก่ต้องมีความแก่หนึ่งปีสิบสองเดือนยอดมะม่วงมันยังจะออกลูกได้มันมีเวลาอย่างนั้นการเวลาที่เราปฏิบัติทำเนี่ยก็ต้องมีบ้างไม่ใช่อยู่ๆมันจะไปออก มักออกขนมันก็ไม่ได้ต้องให้มันต่อกันการกลับมาเนี่ยการกลับมาเนี่ยนี่เป็นตัวปฏิบัติปฏิคือการกลับมากลับมามาตั้งไว้เวลาใดมันไม่หลงไปทางอื่นก็เอาต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆลู่ไปเรื่อยๆเวลาใดมันหลงก็กลับมาความหลงก็เห็นได้ไม่ได้ไปหามันมันออกมาฉายให้เราดูก็ลู้เอาดูเอาเห็นเอา เห็นหลายรสเห็นหลายชาติมันแสดงออกมาทางกายทางกิตอ่าแสดงออกมาบางอย่างก็ เ, เกิดรสชาติต่างๆกันไปบางทีก็ความไม่เที่ยงก็มีบางทีความเป็นทุกข์ก็มีบางทีความไม่ช่ตัวตนบางทีมันเกิดเป็นเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์บางทีมันก็เกิดสุขเกิดทุกข์ทางกิตมันพัดออกไปก็รู้แล้วก็กลับมา มันไม่ฐานกรรมฐานกรรมฐานมันไม่ฐานมันไม่เทตั้งมันตั้งอยู่พอหลุดออกไปก็กลับมาได้ไม่ต้องไปขอร้องใครไม่ต้องไปเรียกใครมาช่วยเหลือกรรมฐานเป็นส่วนตัวส่วนตั ว, ว น, วนี่ไม่มีอะไรที่จะทำได้วิชาไหนไหนไม่ไม่เหมือนวิชากรรมฐานวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่ปฏิบัติได้ทำได้ทุกคน เรามือวางไว้บนเขา่าเอารู้เอามือวางไว้บนเขา่าทําได้รู้ไหมว่ามือวางอยู่บนเขา่าทุกคนก็รู้อ่าไม่ได้บัตรทาได้ส่วนตัวทําได้ส่วนตัวอย่าไปเรียกร้องใครมาช่วยหัดช่วยตัวเองมันหลงก็ช่วยตัวเองให้มันรู้นะ่ะมันเป็นอะไรก็ตามช่วยตัวเองให้มรู้ไม่ไม่ได้ยากเงื่อไม่ไหลไม่ต้องเอามืองุ้มสมอง เมือนเราไปคิดการเรียนการศึกษาอที่ต้องไปจับปากกาจับกระดาษ ม, มาเขีดมาเขียนแบ่งวักแบ่งตอนได้ข้อมลได้ผลสรุปยังทําได้อันนี้ไม่ถึงตอนนั้นไม่มีวัตถุสิ่งของอัอื่นมาช่วยเป็นแต่เพียงมีสติแล้วก็กลับมากลับมามาตั้งไว้มาตั้งไว้ไวยิ้มรับมือได้เลยการปฏิบัติธรรม นั่นก็เห็นกายเห็นอย่างเดียวอยู่ น, น, นานๆนล้วก็รู้แจ้งเรื่องกายสติก็ชำเนี้ยชำนานฮะธรรมดาการเห็นอยู่สิ่งเดียวนานๆมันก็ต้องมีความอะไรมีความชำเนิ้ยชำนาญมีปัญญามีอะไรเกิดขึ้นมารู้กแจ้งเรื่องนั่นเรื่องนั่นขึ้นมามันเรามาอยู่วัดป่าสุโขโตมาจากบริรัมย์ มาอยู่วันเดียวคืนเดียวสองคืนยังไม่รู้หรอกมาอยู่ร้อยวันหลายวั น, วนเออเห็นรถเห็นชาติเห็นบรรยากาศอืมเห็นสิ่งแวดลอ้อมอันนี้มันเห็นไม่มีคําถามมันพบเห็นแล้วการมาพบเห็นกายเนี่ยก็ไม่มีคําถาม ม, มีคําตอบกายสภาวะกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ตอบได้ทันทีเลยพ้วผางไปเลยไปเลยไม่มีอะไรไม่หลงในเรื่องของกายแต่ก่อนหลงเรื่องของกายนี่ยมากเรื่องเรื่องของกายอย่างเดียวอมาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นความหลงเป็นความโกรธเป็นวิตกกังวลเศ้ามองเป็นความรักความชังเป็นอะไรปัญหากระทบกระเทือนไปถึงสิ่งอื่นวัตถุอื่นคนอื่นผู้อื่ น, น, น, นไปหลงเรื่องกาย <c oughs> แต่นี้ไม่หลงแล้ว ชาตินี้ตั า, ากายนี่ไม่ลงเลยนะล่ะรูดครั้งเดียวจบไปตลอดชาติเรื่องของกายเนี่ไม่เอามาเป็นสุขไม่มาเป็นทุกข์วิชากรรมฐานมันเป็นการรูดแกง้งมันเป็นการเนหลยชากรรมฐานเนีอ่ามันก็ล่วงข้ามได้เรื่องของกาย แต่ก่อนเราข้ามไม่เป็นเรื่องของกายไปชนมันชนหน้าผามันไม่รู้จะข้ามไปต้องติดมันด่านที่มันกักเรามันไปไม่ได้เพื่อถูกกัก้าไปไม่ได้ต้องยอมจำนนจนเขาปล่อยเวลาใดคอยหลุดออกมาหายใจได้บ้างนี่ปฏิปธรรมมันเป็นอย่างไ้นะ รู้แจ้งครั้งเดียวผ่านได้ตลอดผ่านได้ตลอด <c oughs> หลุดพ้นได้ตลอดเพราะว่ากายนี่หลุดพ้นได้ทีมันก็เห็นเวทนามันสุขมันทุกข์มันปวดมันเมื่อยมันร้อนมันหนาวมีเกิดขึ้นกับกายเพราะว่ามันเราไปทำถูกมันก็ต้องเห็นต้องเจอกัน เราไม่ได้กรบเกลื่อนนั่งสร้างจังหวะอยู่เดินจงครมอยู่รีบท่างๆไม่กรบเกื่อนเวทนามันก็ออกมาโชว์ให้เราเห็นแต่ก่อนเรากบเกลื่อนเดินเดินนั่งนอนขููเหยียดเคลื่อนไว้กินขับถ่ายหนาวหอมผ้าปวดขาปวดแขนไปตามอาการของมันยอมรับมันหมดไม่ไม่ดูไม่เห็นไม่เจอหน้ากัน หลบกันไปเลยเพราะฉนั้นกันก็หลบกันไปเลยเอารุ่มเอรุวยไปเลย น, นี่มาเห็นเข้าจังๆตาต่อต า, ตาเห็นเวทนาที่มันเกิดขึ้นขณะที่เรานั่งสร้างจังหวะขณะที่เราเดินจงกรมมันต้องแสดงแน่นอนแน่นอนเวทนาเห็นต่อหน้าต่อตาก็รู้แล้วนี่คือเวทนาก่อนเราเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะเวทนา เวทนาทำไมเราเป็นสุขเป็นทุกข์ทำไมเรามีตัวมีตนเป็นตัวเป็นตนอยู่ในเวทนาเป็นภพเป็นชาติอยู่ในเวทนาหลายภพหลายภูมิในเวทนาชอบก็มีไม่ชอบก็ไม่สุขก็มีทุกข์ก็ไม่ต่างกันบันนี้เรามาเห็นแจ้งแต่ก่อนเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์วันนี้มันเป็นปัญญา รูดครั้งเดียวอีกมันกันคาว่าเวทนานะรูดครั้งเดียวจบไปตลอดชาติเลยนะรูดิตที่มันคิดนะมันก็มีเหมือนกันจิตเนี่ยมันแสดงโชว์มันเป็นธรรมชาติมันเป็นกฎของธรรมชาติของเขามันโชว์เหมือนรถที่มันมีสมองเวลามันมีปัญหาอะไรมันก็โชว์หน้าจอไฟแดง ไฟแดงบางจุดมันก็บอกว่านี่คือเบรกไฟแดงบางจุดมันก็บอกว่านี่คือน้ำมันไฟแดงบางจุดมันก็บอกว่านี่ความร้อนน้ำมันหมดอะไรต่างๆมันบอกนะมันโชวจิตของเราก่อกกนมันมีอยู่จิตเนี่ยเราเคยเป็นสุขเป็นทุกข์พราะจิตถ้าเป็นจิตแล้วมีอำนาจจิตมันคือคือคิดนะการเคลื่อนไหวของจิตคือมันคิด มีทุกคนก็ต้องเห็นมันจิตนั่งอยู่สุขโตมันปุ๊ดเปโน้นบุรีรัมย์กรุงเทพเชัยภูมิขอนแก่นโคราชแป๊บไปแล้วเอาคนลักคนชังเอาความพอใจชอบใช้อดีตสิบปียี่สิบปีมันไหลไปมันกลับไปไปข้างหน้าขึ้นข้างหลังนี่คือกิจเห็นไหมมปนตัวเป็นตนจริงไหมลักษณะนั้น พอเราโมโหเข้าจริงๆมันก็ไม่ใช่ตัวเจตตนมันเป็นลักษณะมันเป็นอาการอาการที่มันเกิดขึ้นกับจิตเป็นสุขเป็นทุกข์ในอาการที่มันเกิดขึ้นกับจิตเป็นกายก็ดีเป็นเวทนาก็ดีเป็นจิตก็ดีแสดงถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนเราเคยเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงเราเคยเป็นทุกข์เพราะความเป็นทุกข์ เราเคยเป็นทุกข์ก็ความไม่ใช่ตัวตนบัดนี้มันเป็นปัญญาเสิแล้วเปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนชั่วเป็นดีเปลี่ยนล้เป็นรู้เปลี่ยนอะไรที่มันเคยทุกข์เคยทุกข์เป็นปัญญาปีวิทย์ของเราแต่มันเปลี่ยนอย่างนี้มันก็พ้นภาวะเก่าเคยสุ ข, ขคด ค, ขความคิดเคยทุกข์กับความคิดความคิดจัดสรรชีวิตเราไป ส่งเราไปเหมือนบางตะหลที่มันมีมือมีแรงมีดินขับให้มันขึ้นไปอ่าโดยสุด ม, มันก็ไม่จริงมันขับให้เราหัวเราะร้องไห้ขับให้เราเป็นสูขเก็นทุกข์ก็หลงไปตามอาการของมันแต่ น, นี่เราขับเรามีสติเรามีสมรชัญญะเห็นมัน ยังไม่ให้มันส่งให้เราเป็นสุขยังไม่ส่งให้เราเป็นทุกข์เลยรู้แล้วรู้ ก, ก่อนแล้วพระมันเกิดขึ้นจากเพราะมันคิดขึ้นมารู้แล้วความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจนะอาจไม่ใช่ความคิดที่ตั้งใจความคิดที่ตั้งใจเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกคิดได้คิดลงไปอ่ากลัวว่าแต่ขี้เกียจคิดนั่นแหละแต่คิดที่ไม่ได้รักมันไม่ได้ตั้งใจมันลกคิดเนี่ยตัวนี่มันเป็นตัวขยัน ตัวขยันแบบนี้เขาเรียกว่าสังขารตัวแบบนี้เขาเรียกว่าสมุทยัยตัวเหตุที่จะจัดชีวิตให้เราหลุดไปทางไหนก็ได้มีอานาจสั่งการสั่งงานให้เราได้ตามมันไปแบบนะ่ะโอโลมาดูก็เห็นโอ้คิดเนี่ยก็สบวคิดน ะ, ะมันก็ไม่มีเลยเหมือนเมือนกันตอบกันเดียวก็สติจะเป็นคําตอบอัเดียวไม่ใช่ตอบคนเราอย่าง เห็นความไม่เที่ยงก็รู้แล้วเห็นความเป็นทุกข์ก็รู้แล้วเห็นความไม่ใช่ตัวตนก็รู้แล้วเห็นชิเลตันหาเห็นปวดเห็นมวยเห็นหิวเห็น่อดเห็นหนาวรู้แล้วตอบกันเดียวเลยไม่ใช่เป็นชอบไม่ใช่เป็นไม่ชอบบอบตอบกันเดียวรู้แล้วรู้แล้วเนี่ยคือกรรมฐานตัวเฉลยคำว่ารู้แล้วไม่เอะใจนะ เป็นคำตอบอันเดียวนะฟังดีๆคำพูดหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้จำมาพูดเรื่องที่มันมีอยู่กับทุกคนสิ่งที่หลวงพ่อพูดเนี่ยมีอยู่ทุกคนไม่เกี่ยวกับเพศกับวัยละทิตอีกายชาติศาสนาใดทั้งหมดไม่เกี่ยวเป็นเรื่องที่เป็นจริงเป็นสัจธรรมไม่อยู่กับเรา ทำที่มันเกิดขึ้นกับขิดกับใจเข็นความง่วงเผลอเผลอนความเครียดมีเหมือนกันนะเวลาเราปฏิบัติความง่วงเผลอเผลอนความเครียดความอ่อนแอความเบื่อนายพ่ายแพ้เคสว่าการปฏิบัติเนี่ยโอ้ยยากนอนดีกว่าง่วงเหผลอเผลอนอมันมันเครียดขึ้นมามันเบื่อขึ้นมามันไม่ชอบขึ้นมา เปรียบเทียบขึ้นมาว่างุ้งเหงาหงนอนพุ่งสา่นนี่เรียกว่ารรมันเกิดครอบงำทั้งกายทั้งใจมันมีเราก็เห็นเหมือนนี่ก็เหมือนกันมันเป็นอาการถ้าเห็นเข้าไปยังกริงเนี่ยสิ่งที่มันเกิดทั้งหลายทั้งหลายเนี่ยถ้าจะตอบให้งง่ายก็เป็นอาการที่เกิดขึ้ น, นกับกายกับจิต อาการนี้มันไม่ใช่ตัวใช่ตนมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่ตัวใช่ตนจริงๆไม่ให้มันหลอกอีกต่อไปแล้วนะตัวกายเวทนาจิตทําไหนหลอก ไ, ได้หรูอเฉลวยได้ตั้งแต่ครั้งแรกจบไปตลอดชาติจนไปเห็นรูปทำนามทมเห็นอยู่บ่อยๆเรื่องเดียวบ่อยๆแต่ขาน มันแตกขานแต่ก่อนเห็นเป็นกายเห็นเป็นเวทนาเห็นเป็นจิตเห็นเป็นธรรมต่อไปต่อไปมาเห็นเป็นรูปทำนามธรรมสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับรูปกับนามเนี่ยสรุปได้เลยรูปก็สรุปให้แล้วแล้วนามก็สรุปให้แล้วแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามกับกายกับใจเป็นอาการต่างๆอาการต่างๆที่เกิดขึ้นมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตน พอเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่เฉยตตนในชีวิตของเราทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยทุกอย่างเป็นกิเลสตัณหาลาข้ความรักความฉันความไม่เที่ยงเกิดขึ้นกับเราส่วนตัวส่วนตัวก็ไม่ความไม่เที่ยงเกิดขึ้นจากคนอื่นที่เกี่ยวกับเราก็ไม่บางทีเราเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงของคนอื่นเป็นทุกข์เพราะเพื่อนเพมิตรเป็นทุกข์พราบุตรพันญาสามี คนที่เราลักคนที่เราลักเขาก็เป็นคนไม่เที่ยงเขาเป็นคน อ, อนิจจังเขาไม่เที่ยงแล้วก็ไปพึ่งคนที่ไม่เที่ยงเอาไปพ่วงเขาไปก็เป็นทุกข์นะมีเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงที่เกิดขึ้นภายนอกเรากับบุคคลกับวัตถุสิ่งของกับสิ่งแวดล้อมต่าง ทีก็เป็นทุกข์ซุกซนเกินไปเป็นทุกข์เพราะร้อนพราะหนาวเป็นทุกข์พรฝนตกเป็นทุกข์เพราแดดออกอมันทุกซนไปเถอะเพื่อในความทุกข์ในความไม่เที่ยงทั้งทังที่เราจัดสัตวแม้ได้เราก็ยังไปทุกข์อยู่ไปหลงอยู่แต่ น, นี่มันก็สรุปให้เราก็ามไม่เที่ยงมีลาอย่างไม่ตัวเราก็ไม่เป็นวัตถุเสียงของก็มไม่เป็นผู้เป็นคนที่อยู่ใกล้คิดที่เราเกี่ยวข้อง นะสิ่งนั้นมันไม่เกรยงจังกับเราเราก็เป็นทุกข์้ท ง, ทงท่้งที่มันก็ห่างเราไปตั้งหลายหลายยอดแต่ในเราเนี่ก็ยังเป็นทุกข์ก็ยังพอไหก็ยังพอไหวแต่ทุกข์ที่มันไม่ใช่อยู่กับเราเอามาเข้ามาอีกแล้วอ่าพอเห็นอย่างนี้แล้วโอ๊เบา เบาเบาอันว่าความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตวนี่ครบทองโจนในตัวนอกตัวเฉลยด้ดยหมดล่วงพ้นไปได้น่ะปฏิบัติธรรมก็จิต ก, ก็ไม่ปรุงไม่แต่งแล้วาเนี่ยมีแต่เห็นเเห็ น, หนจิตก็มันก็สงบเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเนี่นี่ยเป็นใสศกขาสรุปทะลุงย่อยเป็นความจำเนิ่จำนอนเหมือนเราเรียน <c oughs> วิชาการต่างๆชำนาญไว้ในวิชาการสาขาใดๆแล้วก็ชำนาญในสาขาด้นนั้นการมาชำนาญในชีวิตจิตใจของเราเนี่เรียกว่าปริญญาได้เหมือนกันกาหนดลูด่โดยการลูกร่กาหนดลู่โดยการแจกแกงกาหนด้ดยการละง่ายที่สุดเรื่องเนี่ยหลุดออกไปง่ายๆเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเพราะ มันเป็นไปเองแต่จิตมันสงบกว่าเป็นศีลศีลก็กำจัดกิเลสสมาธิก็กำจัดกิเลสสิ่งไหนที่มันเศร้าหมงเคยทุกข์เพรสิ่งใดสิ่งนั้นก็ไม่เคยทุกข์อยู่ต่อไปมันกำจัดแล้วเหมือนกับความมืดเหมือนกับแสงสว่างกาจัดความมืดเป็นอย่างนั้น <c oughs> ให้เป็นทุกข์ไม่หลงมันเห็น เห็นแบบนี้ไม่ใช่เห็นเป็นคําถามไม่ใช่เห็นแบบจํามันมันไม่ใช่จํามันพบเห็นการพบเห็นมันต่อหน้าต่อตาการปฏริบัติธรรมกับจูงมือไปดูจับแขนไปดูขี้ให้ดูขี้ให้ดูให้เรานไดหละดูตัวปฏิบัติตัวกรรมฐานจะลิขิตเราไปดูไปเห็นนะกรรมฐานเนี่ยเป็นจากนี้ เออเกิดฉินเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมานันก็เป็นไตสิกขาไตสิกขาก็คือเธอลงก็ย่อยออกมีแต่เนื้อหรืบเปล่า ม, มีแต่ชีวิตล้วนๆชีวิตธรรมชาติชีวิตธรรมดาก็เกิดธรรมวินัยขึ้นมาธรรมวินัยก็คือศาสนาเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระนน ถ, ระถนถามพระพุทธเจ้าทูลถามพระพุทธเจ้าในช่วง บรินิพยานนสูตรเมื่อพระองค์ปรินิพยานไปแล้วจะให้ใครเป็นศาสตราแทนพระองค์พระพุทเจ้าก็ตรัสว่าพระธรรมวินัยเป็นศาสตราแทนของศาสดราฐานเราตถาคตเป็นศาสตราเป็นตัวศาสนาธรรมวินัยก็เกิดขึ้นในใกายในใจเรานี่อยู่ในกรอบอยู่ในเขตตัวเฉลย ไม่ออกมาเป็นสุขไม่ออมาเป็นทุกข์เป็นตัวปัญญาวินัยวิก็คือวิเศษไนยะคือนําไปนําไปสู่ความหลุดพ้นอย่างวิเศษนําไปสู่ความหลุดพ้นอย่างวิเศษธรรมก็คือธรรมชาติธรรมดาทั้งหลายทั้งปวงที่มัอยู่ทุกข์นทุกแห่งเป็นธรรมกุศลเป็นธรมนธรมอกุศลอกุศลละได้ กุศลสร้างขึ้นมาได้การเจริญสติสติเป็นเครื่องมือทำให้เป็นเครื่องมือละอกุศลเป็นเครื่องมือสร้างกุศลสติสมชัญญาเนะี่ยเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องทุนแรงทำให้ไม่ยากถ้าขาดสติถ้าขาดสติเสียแล้วเนี่ยทำยากเหลือเกินแล้วความชั่วททำความดีบางทีอาจจะทำดีได้ยากทำชั่วยได้ง่ายโดยสัําไปผู้ไม่มีข้อยมีสติ แต่ผู้มีสติง่ายเหมือนเครื่องทุ่นแรงที่ช่วยเราของหนักทำไมเบาของยากทำไมง่ายขึ้นมาได้เพราะนั้นเราจะมาเริ่มต้นในวิชากรรมฐานวิชานี้เป็นวิชาส่วนตัวใครก็ช่วยเราไม่ได้เราเห็นความหลงด้วยเราเองเราก็เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ด้วยตัวเราเองเราเห็นทุกข์เห็นโกรธเห็นโลภเห็นหลงเราก็เปลี่ยนได้เองหัดเปลี่ยนหัดมีความเพียรตรงนี้ ใหญเกลียดขั้นตรงนี้เมื่อมันหลงขยันรู้ไว้เมื่อมันทุกขยันรู้เมื่อมันโกรธขยันรู้เพียนจุบถูกที่ถูกทางการเพียนถูกที่ถูกทางการขยันถูกที่ถูกทางมันหลุดได้ไม่ใช่ขยันอันที่ไม่ใช่เวลามันง่วงขยันรู้เวลามันทุกขยันรู้เวลามันหลงขยันรู้ให้ดูว่าเพียนเพียนอย่างนี้หรอ ล่วงทุกพ้นทุกได้วิริเยนะทุกขมะจิ ต, จติคนจะล่วงพ้นทุกได้เพราะความเพียรขยันลูกขยันลูกเอาไว้เนี่ยเอาไปซะก่อนบุกวยก่อนบูกวยก่อนนี่สอนให้ปฏิบัติทั้งสอนให้ลูกสอนให้ลูกเนี่ยสอนง่ายสอนให้เป็นเนี่ยเราต้องทำเอาเองทำเป็นไหมเวลามันห ล, ลงเปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวลูกได้ไหมทำเป็นไหมความหลงหมดไปจริงไห เวลามันโกรธเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธทาเป็นไหมทําได้ไหมเวลามันทุกข์เปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ทำได้ไหมเวลามันง่วงเปลี่ยนความง่วงเป็นความรู้สึกตัวเป็นความรู้สึกตัวได้ไหมทําเป็นไหมทําให้มันเป็นปฏิบัติธรรมในใจรู้ความรู้มันของปลอมเนาะทําเป็นเนี่ยเห็นเนี่ยมันจริงต้องพบเห็นด้วยสติปัญญาของเราเหมือนกันหมดทุกคน การศึกษามารวมอยู่ตรงนี้ทุกคนศึกษาตรงนี้สัจธรรมต้องเป็นหนึ่งเดียวกันอันเดียวกันนะไม่ใช่คนโอ้ยหลวงพ่อเป็นพระหลวงพ่อก็ลูได้พผกผมเป็นคราวาสญาติยมลูกไม่ได้มีลูกไม่ห ล, ลานโอ้ยไม่ใช่อย่าไปพูดแบบนั้นไม่ใช่ครับก็รู้ศึกตัวไม่เกี่ยวกับลูกกับหลานไม่เกี่ยวกับเพศหญิงเพศชายไม่เกี่ยวกับนักบวชฆราวาญาติยมเป็นการำกระทํากรรมจาแนกสัตว์ คือการกรรมฐานนี่แล้วนะของพ่อขอพูดให้ฟังแต่๋ถ้าพูดให้แล้วเราเอาไปทำมันรู้เรื่องถ้าพูดแล้วไม่ไปทํามันไม่ค่อยรู้หรอกเราได้ทําในสิ่งที่เราได้ยินเราได้ยินในสิ่งที่เราได้ทําเป็นส่วนประกอบที่ดีที่สุด